วิมลคุณากรหรือว่าหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลวงปู่สุขนั้นได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิที่เรืองฤทธิ์เรืองวิชาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะทางด้านวิชาอาคมแล้วนั้นหลวงปู่สุขท่านมิได้เป็นสองรองใครเพราะท่านสําเร็จอภิน ญ, ญาขั้นสูง เมื่อท่านอายุได้22ปีท่านก็ได้ตัดสินใจอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดามันดาณพัทธสีมาวัดโพทองล่างจังหวัดนนทบุรีโดยมีพระอธิการเชยจันทศิริซึ่งเป็นเจ้าอาวาสและก็เป็นพระอุปชาให้หลวงปู่สุขนะคะและท่านก็จำพรรษาอยู่ที่นี่ค่ะหลวงปู่สุขท่านได้อยู่ปรนิบัติอาจารย์ซึ่งเป็นพระที่เคร่งครัดในทางด้านวิปัสนา จึงได้ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็เรียนวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนเวทมนต์คาถาต่อมาท่านได้กราบลาพระอุปชามาจำพรรษาอยู่ที่วัดสามงามปทุมวันเพื่อศึกษาพระประยะิยติธรรมเพิ่มเติมแล้วก็ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดชนะสงครามบางลำพูณที่ที่ท่านได้พบกับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรแล้วก็ได้ศึกษาวิชาต่างๆร่วมกันค่ะ ท่านทั้งสองก็เลยมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษนะคะซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช 2,435 ท่านก็ได้ทุดงเ ข, เข้าเขตจังหวัดชัยนาธมาจำพรรษาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน ท่านก็ได้บูรณะซ่อมแซมเสนาสนะที่ชำรุดทุดสทรมขึ้นมาใหม่ชาวบ้านต่างก็พากันเลื่อมสายแล้วก็ศรัทธาในวัดปฏิบัติแล้วก็พระเวทวิทยาคมของท่านท่านก็เลยมีสิทธิเอกนะคะซึ่งเป็นถึงเชื้อพระวง์นั่นก็คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ เรื่องที่จะนำมาเล่าในวันนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่สุกนะคะท่านได้แสดงวิชาเสือสมิงเรียกว่าเป็นสุดยอดศยาศาสตร์อีกวิชาหนึ่งที่ปัจจุบันน่าจะขาดการสืบทอดไปแล้วกล่าวก็คือครั้งนั้นค่ะกร ม, มหลวงชุมพรเสด็จไปพักผ่อนตากอากาศที่ภาคเหนือโดยเสด็จไปด้วยเรือประเทียบใช้เรือกลไฟลาดจูงล่องไปตามแม่น้าเจ้าพระยา เสด็จคราวนี้ก็จะมีหม่อมแล้วก็มีหมู่มหัดเล็กติดตามไปด้วยถึงตอนเสด็จกลับนะคะพระองค์ก็สั่งให้เข้ามาทางแม่น้าท่าจีนขณะล่องเรือมาถึงหน้าวัดปากคลองมะขามเท่าเครื่องยนต์เรือกลนไฟก็เกิดขัดข้องกระทันหันค่ะทำให้แล่นต่อไปไม่ได้คนเรือก็พยายามแก้ไขยอย่างไรก็ไม่สำเร็จนะคะ ถาหารเรือมหัดเล็กจึงช่วยการชะลอเรือเข้าเทียบท่าที่วัดปากคลองมะขามเท่าเพื่อหาทางแก้ไขเรือยนต์ต่อไปขณะนั้นหลวงปู่สุขนะคะท่านเองก็นั่งอยู่ที่ศาลาตรงท่าน้ําการที่เครื่องยนต์เรือกลไฟเกิดปัญหาขึ้นอย่างกระทันหันอาจจะเนื่องมาจากหลวงปู่สุขแสดงฤทธิ์หรือไม่ก็ยากที่จะคาดเดาได้ค่ะแล้วก็ในระหว่างที่หลวงปู่สุขนะคะท่านนั่งอยู่ที่ศาลาท่าน้ําท่านก็ได้ให้เด็กวัด ไปตัดหัวปลีกล้วยมากองตรงหน้าแล้วท่านก็หยิบหัวปลีกล้วยขึ้นมาทีละอันแล้วก็เอานิ้วนะคะลูบแล้วก็วางหัวปลีนั้นหัวปลีนั้นก็กลายเป็นกระต่ายสีขาวน่ารักค่ะกระโดดโลดเต้นไปมาหลวงปู่สุก็ทำให้หัวปลีทั้งกองเนี้ยกลายเป็นกระต่ายฝุงใหญ่กระโดดไปมาเต็มหน้าสาราด้วยฤทธิ์ทางใจของท่านเหตุการณ์น่าอัศจรรย์แบบนี้นะคะปรากฏต่อพระเนตรของกรมหลวงชุมพรโดยตลอด ก็เลยทําให้พระองค์ท่านเกิดความมหัศจรรย์ในพระทัยอย่างยิ่งค่ะหลังจากหลวงปู่สุขปล่อยให้กระต่ายขาวพลโลดเต้นสักพักหนึ่งนะคะท่านก็เรียกกระต่ายขาวมาทีละตัวแล้วก็ช้อนมันขึ้นมาเอามือลูบหลังมันเบาๆแล้วก็วางกระต่ายลงสักพักหนึ่งกระต่ายก็กลายเป็นหัวปลีกล้วยตามเดิมนะคะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะก็เลยเสด็จขึ้นจากเรือพร้อมทหารมหาดเล็ก พร้อมกับสนทนาธรรมกับท่านแล้วก็ขอฝากตัวเป็นสิทธิ์กรมหลวงชุมพรเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะแต่ท่านเองก็ไม่ทรงถือพระองค์ว่าเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรู้จักนอบน้อมถ่อมตนเป็นที่ถูกอัธยาศัยของหลวงปู่สุขยิ่งนัก ลุงปุษกุกได้ถามกรมหลวงชุมพรว่าอยากเห็นท่านทำให้คนกลายเป็นจระเข้หรือไม่เมื่อได้รับคำตอบว่าอยากเห็นท่านก็ได้คัดมหาดเล็กที่มีรูปร่างลำสันแข็งแรงมากคนหนึ่งนะคะกรมหลวงชุมพรก็รับสั่งให้พลทหารคนนี้ที่ชื่อว่าจ๊อกเป็นผู้อาสา หลวงปู่สุกบอกให้หาเชือกมนันิลาขนาดเขื่องมาเส้นหนึ่งแล้วก็มัดเอวพลทหารจอกไว้ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งท่านถือไว้นะคะจากนั้นท่านก็พาเดินไปที่สระน้ำของวัดให้พลทหารจอกนั่งคุกเข่าริมสระน้ำพร้อมกับพนมมือแล้วก็หลับตาหลวงปู่สุข ก, ก็หลับตาสํารวมจิตลงสู่ภูมิแห่งสมาธิพร้อมกับอธิษฐานจิตให้บังเกิดด้วยฤทธิ์ทางใจอันแก่กล้า จากนั้นค่ะท่านก็เอื้อมมือไปตบหลังพลทหารจ็อกกระแทกร่างของพลทหารจ๊อกเสียหลักลงตูมลงไปในสระน้ำด้วยความมหัศจรรย์เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าพระพักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แล้วก็บันดามหาดเล็กซึ่งเรียงรายอยู่รอบสระนั้น ก็คือร่างของพลทหารจ็อกนะคะที่หายไปในน้ําโผล่ขึ้นมาใหม่กลายเป็นจระเข้ตัวใหญ่ค่ะดําผุดดำว่ายฟาถางตูมตามในน้ําจนทําให้เสด็จเตีย่ยกรามาหลวงชุมพรทรงตื่นเต้นเหลือจะกล่าวหลวงปู่สุขให้ทุกคนได้ชมจระเข้พลทหารจ็อกพอสมควรแล้วก็ยื่นปลายเชือกให้พวกทหารถือไว้แล้วก็สั่งว่าให้ดึงเชือกที่ผูกเอวจระเข้ไว้ดึงดึงไว้อย่าให้จระเข้ดําน้ําลงไปกบดาน พอเสร็จแล้วสักพักหนึ่งหลวงปู่สุกนะคะท่านก็เดินไปที่กุฏิค่ะเอาน้ำใส่บาตรทำพิธีอธิษฐานจิตบริกรรมพระเวทลงไปในน้ำที่อยู่ในบาตรนะคะเสร็จพิธีแล้วก็ได้ประคองบาตรนำน้ำพระพุทธมนต์ค่ะมาที่ริมสระน้ำจากนั้นก็รดน้ำพระพุทธมนต์ไปที่ร่างของจอรเข้ ตั้งแต่หัวจรดหางจรเดคนะคะทีนี้จรเดคใหญ่ที่ดำอยู่ในน้ำค่ะเมื่อโผล่ขึ้นมาก็ได้กลายเป็นผลทหารก็มีเชือกผูกเอลตามเดิม พลทหารจ็อกก็สาวเชือกผูกเอวขึ้นมาจากสระน้ําแล้วก็มีการสอบถามว่าเป็นจระเข้มีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรพลทหารจ็อกเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่หลวงปู่สุขบอกว่าจะเสกตนให้กลายเป็นจระเข้ก็ไม่เชื่อเท่าไหร่เพราะว่าคนจะกลายเป็นจระเข้เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เมื่อถูกหลวงปู่สุกตบเข้าที่กลางหลังมีความรู้สึกเหมือนถูกผลักให้ลอยละลิ้วลงไปในสระน้ําตอนนั้นก็รู้สึกขนพองแบบบอกไม่ถูกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น ทันทีที่ร่างกายสัมผัสน้ำก็เกิดความรู้สึกว่ามีพลระกำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายก็ไม่รู้ว่ากำลังดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรตัวเองก็ดำผุดดำว่ายเล่นน้ำอย่างสนุกสนานล่ะค่ะแต่ขณะเดียวกันก็เกิดความสงสัยว่าคนที่มองดูอยู่รอบสระน้ำทำไมถึงแสดงอาการตื่นเต้นถึงขั้นตาค้างกันเป็นแถวทั้งที่เหลือดูตัวเองแล้วก็เห็นแขนขาทุกอย่างก็เป็นปกติ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมก็ไม่ได้เห็นว่าจะเปลี่ยนเป็นจระเข้ตามคำพูดของหลวงปู่สุขใจมันก็รู้สึกเฉยๆสบายดีไม่ตื่นเต้นเหมือนกับคนที่อยู่บนฝั่งการที่หลวงปู่สุขแสดงฤทธิ์ได้เช่นนั้นนะคะเกิดจากท่านอาศัยจิตภาวนาขั้นสุดยอดตามแนวทางสมถกรรมฐานระดับฌานหรือที่เรียกว่าฌานสมาบัติค่ะจนมีความชนานาญอย่างยิ่งในเรื่องของวสีด้วยเรื่องอาศัยเหล่านี้ ปรากฏว่าหลวงปู่สุขบรรลุถึงขั้นอภิยายานญาญาณเมื่อได้ฌานระดับนี้แล้วท่านได้อธิฐานด้วยอิทธิฤทธิวิธีหรือความต้องการได้ฤทธิ์ก็จะปรากฏดังจิตปรารถนาได้อย่างฉับพลันชั่วพริบตาค่ะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ดังกล่าวของหลวงปู่สุขที่สร้างถวายให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรทอดพระเนตรนั้น แม้จะกระทำได้อย่างอัศจรรย์แต่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสรรเสริญเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์แก่ตนแล้วก็ผู้อื่นพระองค์ท่านสั่งสอนให้เพ่งเล็งใจให้ดำเนินจิตไปในแนวทางวิปัสสนากรรมฐานเป็นสำคัญหลังจากกรมหลวงชุมพรถวายตัวเป็นสิทธิหลวงปู่สุกเกสรแห่งวัดปากคลองมาขามเท่าแล้วนะคะ ท่านก็ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านเวทวิทยาคมให้โดยไม่มีปิดบงังซึ่งต่อมาค่ะเสด็จกรมหลวงชุมพรก็เสด็จมาประทับที่วัดปากคลองมาขามเท่าบ่อยๆครั้งแล้วก็จะประทับอยู่นานๆนะคะก็คืออยู่หลายๆวันนะคะค่อยเสด็จกลับ มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่เสด็จเตียกรมมาหลวงชุมพรเสด็จมาที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าโดยเรือกลนไฟค่ะเมื่อเทียบเรือกับท่าน้ําหน้าวัดแล้วท่านก็เสด็จขึ้นไปยังกุฏิของหลวงปู่สุขเพื่อกราบนมัสการพอขึ้นไปบนกุฏินะคะก็มองไม่เห็นหลวงปู่สุค่ะก็เลยถามพระเนนแต่ก็ไม่มีใครรู้พระองค์ก็เลยเสด็จตามหาเพียงลําพังก็ทรงคิดว่าหลวงปู่อาจจะอยู่ที่โบสถ์ก็ได้ก็เลยตามไปที่โบสถ์ พอตอนนั้นนะคบเมื่อไปถึงโบสถ์แล้วก็ทรงทอดพระเนตรเห็นประตูโบสถ์ใหญ่ใส่กุญแจไว้แสดงว่าหลวงปู่สุขไม่ได้อยู่ในโบสถ์พระองค์ก็เลยเสด็จลงจากโบสถ์ทรงดำเนินดูรอบๆโบสถ์ค่ะ ขณะทรงดำเนินรอบๆไปทางข้างๆโบสถ์เกือบถึงหลังโบสถ์พระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นเสือใหญ่ตัวหนึ่งเยื้องย่างออกมาทางด้านหลังโบสถ์นะคะก็เป็นเสือลายพาลาดกรอนะคะร่างตัวแบบกำยำตัวใหญ่แยกเขี้ยวกำลังเดินตรงมาหาพระองค์ เสด็จในกรมหลวงชุมพรมีพระไทยมั่นคงค่ะไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ง่ายๆพระองค์ย่างพระบาทหยุดอยู่กับที่แล้วก็ทรงหลังเลว่าเสือใหญ่ตัวนี้ที่อยู่เบื้องหน้าพระพักของท่านเนี่ยนะคะจะเป็นเสือโคร่งจริงๆหรือว่าเป็นเสือจำแลงอันเกิดจากเวทมนต์อาคมขลังพระองค์จึงทรงถอยหลังอย่างช้าๆเสือตัวนั้นก็ไม่ได้แสดงท่าทางดุร้ายหรือว่าคุกคามท่านแต่อย่างใดนะคะท่านทรงถอยหลังไปพ้นหลังโบสค่ะ ก็ลองเยื้มพระหัสไปดูปรากฏว่าเสือตัวนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้ขณะที่เสด็จในกรมทรงครุ่นคิดถึงการปรากฏกายของเสือนะคะหลวงปู่สุกก็เดินมาจากด้านหลังโบสถ์อีกด้านหนึ่งด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ทักทายกร ม, มหลวงชุมพรด้วยกิริยาปกติพระองค์จึงทรงนึกรู้ได้ค่ะว่าเสือที่ทรงทอดพระเนตรเมื่อสักครู่นี้เป็นการแสดงฤทธิ์ของหลวงปู่สุขอย่างแน่นอน การที่ภิกษุแสดงฤทธิ์เพื่ออวดชนนั้นเป็นการผิดวินัยอย่างหนึ่งค่ะหากแต่ว่าการแสดงฤทธิ์นั้นเป็นไปเพื่อการโปรโดสาวกเวไนของพุทธสาวกเองซึ่งท่านเองจะรู้ได้ด้วยญาณ น, นะคะว่าหากไม่แสดงฤทธิ์ให้สาวกเวไนเห็นก็จะไม่สามารถน้อมนําให้สาวกเวไนของท่านมีดวงตาเห็นธรรมได้ ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเป็นเวลากว่าสมเดือนค่ะเพื่อโปรดพระกสปะเถระเจ้าซึ่งขณะนั้นนะคะท่านกำลังหลงผิดถือตนว่าเป็นพระอรหันต์ ทั้งทางที่ท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นใดเลยพระพุทธองค์ทรงโปรดพระมหากระสปะเถระเจ้าด้วยการแสดงฤทธปาฏิหาริต่างๆจนพระเถระมีดวงตาเห็นธรรมซึ่งพุทธเวไนก็คือบุคคลที่มีบุญพอสมควรแก่การได้รับการเทศนาธรรมจากพระพุทธองค์แล้วก็พระพุทธองค์ก็ทรงได้รู้นะคะด้วยญาณแล้วก็พุทธสาวกเองก็มีสาวกเวไนของตนที่ท่านเองก็จะรู้ได้ด้วยญาณเช่นกันค่ะ เพราะฉะนั้นการแสดงฤทธเดชของหลวงปู่สุกนะคะที่มีต่อเสด็จเตีอะค่ะก็เพียงเพื่อให้เสด็จเตีได้ดวงตาเห็นธรรมนะคะก็ไม่ใช่เป็นการแสดงฤทธเพื่ออวดประชาชนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการนี้นะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะกับที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ได้แสดงฤทธเดชนะคะเพื่อโปรโดพระมหากัสปะเทระนั่นเองค่ะ มีเรื่องราวเกี่ยวกับสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของอเล่นผิดที่นะคะจอมคาถาร้อนวิชาใช้อาคมสะกดเรือของกองทัพสเสด็จเตี่ยค่ะ ในพระประวัติของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หลายแห่งอาจจะไม่ค่อยพบเรื่องราวความผูกพันทางสายเวทระหว่างเสด็จเตี่ยกับหลวงพ่ออีพุทธสโรแห่งวัดสัตหีบมากนักนะคะทั้งๆที่หลวงพ่อก็ใกล้ชิดกับพระองค์มากกว่าพระเกจิอาจารย์รูปอื่น นายกันก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นจอมอาคมหลวงพ่ออีก็เป็นเกจิจอมอาคมซึ่งพระองค์ก็สนพระไทยในอาคมเช่นกันค่ะก็มีการฝึกแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนพร้อมกับถ่ายทอดอาคมต่อกันและกันตามแบบคนเล่นของในยุคนั้น ในขณะนั้นนะคะพื้นที่ที่สัตหีบก็ยังคงเป็นสภาพป่าซะส่วนใหญ่มีสัตว์ป่าชุกชุมทั้งชนิดที่ไม่ดุร้ายนะคะก็จะเป็นพวกไก่ป่าเป็นเก้งกวางแล้วก็สัตว์ดุร้ายก็จะเป็นพวกเสือพวกหมีนะคะชาวบ้านจึงอาศัยอยู่ไม่ห่างไกลหมู่บ้านสัตหีบมากนักนะคะคงมีเพียงครอบครัวเดียวที่อยู่ไกลข้ามเขาแหลมเทียนอยู่ลึกถึงอ่าวทุ่งไก่เตีย้ยนนั่นก็คือครอบครัวของนายกันสุกรุ่งค่ะ ที่สัตหีบนะคะจอมอาคมอย่างในกานสัตหีบเนี่ยมีส่วนสำคัญในการสารวจพื้นที่เพื่อสร้างฐานทัพเรือแล้วก็หลวงพ่ออีวัดสัตหีบซึ่งมีฐานะเป็นสิทธิ์ผู้น้องของนายกันอีกแรงหนึ่งได้กล่าวไว้นะคะว่าพระเกจอิอาจารย์ที่ใกล้ชิดเสด็จเตี่ยมากองหนึ่งนั่นก็คือหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะ เพราะว่าท่านเสด็จมาประทับแล้วก็มาเสวยมาบันทมที่วัดสัตหีบหลายเวลาเพื่อตรวจดูสถานที่ตั้งกองทัพเรือกล่าวกันก็คือนายกันสลัดทะเลโหดนะคะในการผู้นี้โด่งดังจนถึงกับตั้งเป็นชื่อบริเวณอ่าวสัตหีบนะคะว่าอ่าวตาการอายุก็แก่กว่าหลวงพ่ออีแล้วก็เคยบวชเรียนแต่ว่ารอนวิชาค่ะก็เลยลาสิขาก่อน ลุกกระต๊อบอยู่บนหน้าผาแห่งหนึ่งนะคะก็คืออ่าวตากันนั่นเองนะคะแล้วก็ร้อนวิชาจนสร้างความเดือดร้อนแก่นักเดินเรือทั่วไปในกันหรือว่าตากัรค่ะจะใช้วิชาอาคมสะกดเรือใหญ่ทุกลำทีแล่นเข้ามาในรัศมีด้วยพลังจิตไม่ให้เรือแล่นต่อไปเครื่องหยุดเดินแล้วก็ใช้ให้ลูกศิษย์นะคะนเรือไปเทียบค่ะขอค่าผ่านทาง ถ้าใครไม่ให้ค่าผ่านทางนะคะตากันเนี่ยก็จะแสดงปฏิหารไม่ให้เรือแล่นต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าผู้ใหให้ค่าผ่านทางค่ะตากันก็จะแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารเช่นกันแต่ว่าทำให้เรือลานั้นสามารถที่จะเดินทางไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะชาวเรือหวาดกลัวกันมาก และแล้วตากัรก็แสดงเดชผิดที่เพราะว่าไปสะกดเอาเรือของกองทัพเข้านะคะเรื่องจึงถึงสเส ด, ดตียเกิดเป็นศึกอาคมระหว่างสเสด็จตียกับตากัรค่ะเรื่องราวความกำแหงความโหดความป่าดเถื่อนของตากัรเข้าถึงพระเนตรพระกัรของสเสด็จตียส่งกิ้วอย่างมากถึงกับสเสด็จมาด้วยพระองค์เองการประทะกันด้วยอาคมก็เลยเกิดขึ้นวันนั้นนะคะ ตากันนั่งอยู่ในกระท่อมก็ปรากฏว่ามีฝูงพึ่งใหญ่บินเข้ามาจะต่อยตีตากันแต่ว่าตากันก็เอาผ้าขาวมาโบกพัดจนพึ่งนั้นตกลงมากลายเป็นใบไม้ตากันก็เลยรู้ได้ทันทีนะคะว่าเจอดีเข้าแล้วตากันก็เลยเอาคืนเสด็จเตียบ้างค่ะโดยการปล่อยเสืออาคมเข้าไปเสด็จเตียปล่อยควายธนูออกมาใส่ต่างคนต่างสู้กันฝุ่นตลบไม่มีใครแพ้ไม่มีใครใชนะแต่ว่าผลสุดท้ายนะคะตากันก็โยนผ้าขาวมา้าสงบสึก เป็นพันธมิตรแล้วก็กลายเป็นพระสหายต่างวัยกันค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะตาการเคยคุยโอ้อวดนะคะว่าตัวเองเนี่ยเคยลงไปเดินในทะเลเป็นครึ่งค่นวันสเสด็จเตี๋ย ป, ปรดคนจริงจึงมีรับสั่งให้มัดตกากันไว้ในกระสอบแล้วถ่วงในทะเลเป็นเวลาหนึ่งวันเมื่อครบก็ดึงตากันขึ้นมา ปรากฏนะคะว่าตาการนเนี่ยนั่งอยู่ในท่าสมาธิพร้อมกับหัวเราะเยอ ะ, ะเย้ยเสดตียแถมยังไม่เปียกเลยสักนิดหนึ่งนะค ะ, สะเสด็จในกรมจึงตั้งชื่อให้อ่าวแห่งนี้ว่าอ่าวตาการนหรืออ่าวดงตาลในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะภายหลังเมื่อสเสด็จต้องการสำรวจพื้นที่สร้างกองทัพ ตากันก็จะได้มีส่วนร่วมในการรับใช้พระองค์แล้วก็ย้ายมาอยู่บริเวณหลังตลาดสัตหีบนี่คือที่มาของความผูกพันระหว่างเสด็จเตีย่ยหลวงพ่ออีแล้วก็ตากันจอมอาคมนั่นเองนะคะ